أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله اللهم صل وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه سبحانك لا علمنا إلا ما علمتنا إنك أنت العلم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلو لقدة من لساني يطلق قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ربنا ظلمنا ا ن ว س ن ا و ่ ن لم ت ด้รับค ا ت มรู้ที่ท ن ใ م ن เราได ر รู้ว่าที่เรา ل ด ا รับค ح ามร و ้ที่ทำให้เราได ا รู้ว่ ل ที่เราได้รับคว ه มรู ا ที ส ورة อัลจาศีย ah. ์ส ورة อัลจาศีย ah. ์นะครับวันนี้เป็นตอนที่สี่อัลฮัมดุลิลลาห์เราจะเริ่มอ่านตั้งแต่อายัดที่สิบหกจนถึงยี่สิบอินชาอัลลอฮ์อัลจาย์ยสบหก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 ولقد َ ول آتينا بني إسرائيل الكتاب ََ و ا ل ح ك م َ والنبوة ورزقناهم ُ ن ط ي جبات وفضلناهم على العالم وآتيناهم بينات من الأم فَمَخْتَلَفُوا إ ل َّ مِنْ بَعْدِ مَا ج َ ا ء ا ل ِْ م ب َ ع بَيْنَهُمْ إ ิ ر นั ي นรับบ์ค์ยัฟดี م ีนฮุมยูม ا ะล์ทิ ثمّ جعلناك على ش ِ ي ع ة من َ الأمر فاتبعها َِّ ولا ت ت ب ع ه ْ و ء ل ا لن لا يحل إنهم لا يُنُعَك من الله شيئا <تصفيص> <تصفيق> <تصفيق> <مسؤ Wit default> <تصفيق> <تصفيق> وَإِنَّ الظَّالِمِينَ ب َ ع ْ د ُ ه ُ م ْ أ َ و ْ ل ِ ي َ ا ء ُ ب َ ع ْ د ٍ وَاللَّهُ و َ ل ِ ي ٌّ แท้จริงฮาลาลฮาลาลฮาลُลฮาลาลฮาลาลฮาลาลฮาลาลาลาลาลาลฮาลาลฮาลาล เราทะศึกพบวันนี้ที่เราอ่ า, านะครับจากส ورة อัลกัตธีอัลละตั้งแต่ได้ยกตัวอย่างบุนีอิสราเอลทำไมยกตัวอย่างบุนีอิสราเอลอย่างที่เราได้อ่านเมื่อ3ครั้งหรือว่ตอนที่ผ่านมาเนี่ยเราจะเห็นว่าก่อนหน้านี้ ในต้นสุรัสวดีเซียอาละต้าลาได้พูดถึงเครื่องหมายหลักฐานความยิ่งใหญ่ของพระองค์ไอ้พวกมุชริกีนคิดเผื่อว่าพวกเขาจะมีความสำนึกแต่ปรากฏว่าเป็นยังไงครับไม่หนักไม่คิดไม่สำนึกยกหลักฐานมาแล้วไม่สำนึกเพราะฉะนั้นวันนี้ยกตัวอย่าง ยกตัวอย่างที่เป็นกลุ่มคนที่ใกล้ตัวที่สุดพี่น้องลองจินตนาการดูว่าในยุค ข, ของท่านนาบีซลมีคนกลุ่มไหนที่พอจะเป็นตัวอย่างให้กับบรรดามุชชริกีนใกล้ตัวพวกเขาที่สุดบ้างแน่นอนว่าต้องเป็นพวกบนน้อิสราเอ ยกตัวอย่างคนที่ยังมีชีวิตอยู่นะยกตัวอย่างพวกอาดตายไปแล้วเหลือแต่ร่องรอยยกตัวอย่างมูซายกตัวอย่างอะไรนะฟิรอาวนยกตัวอย่างสมุรก็ยกมาเหมือนกันแต่ว่าคนเหล่านั้นมันตายไปแล้วไม่มีชีวิตอยู่แล้ว คนที่ยังมีชีวิตอยู่ที่ใกล้เคียงที่สุดที่จะเอามาเป็นตัวอย่างในเรื่องของการศรัทธาในเรื่องที่จะให้เชื่อในอัลลอฮ์ต้อลก็คือบัณฑิอิสราเอลเพราะอยู่ตอนหน้าพวกเขาอยู่ในเมืองมดินะอยู่รอบๆคับสมุทรอาหรับเพราะฉะนั้นลองดูซิว่ายกตัวอย่างกับบัณิอิสรอเอลพวกผุ้ศรีกินจะรู้สึกยังไง มีอะไรที่ใกล้เคียงมีอะไรที่จะเอามาเป็นบทเรียนให้กับพวกเขาได้บ้างพระศลาว่าอย่างไงวะละคอดอเตินาบเนอิสราอิลและคตาบวะลุคม์วะลนบุวะเพาสบันว่าแท้จริงเราได้ประทานให้กับบเนอิสราอิลบเนอิสราอิลคือลูกหลานของใครครับเป็นพี่น้องของชาวอาหรับเป็นลูกหลานของนบียากูบ เปนอิสฮะต์นอ ok e ิบราฮิมยากูเป็นลูกชายของอิสฮะต์อิสฮะเป็นลูกชายของอิบราฮิมอิบราฮก็เป็นต้นตระกูลของชาวตัวเล็เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นไม่ได้ไกลตัวพวกเขาเลยเป็นญาติห่างก็ว่าได้ อัลล่าลาบว่าพระองค์ได้ประทานให้กับบนีอิสราเอลลูกหลานของอิสราอลให้อะไรบ้างหนึ่งเลยอัลกิจับประทานคัมภีร์เริ่มตั้งแต่นบีมูซาอัลัยอุสซาลามนบีมูซาอัลัยอุสซลามอัลล่าลาให้คัมภีร์ตาวหลังจากนั้นก็เป็นนบีดาวูดให้คัมภีร์ซบูร หลังจากนั้นก็เป ah ja ็นอิสสะ عليه السلام ให้คำทีอินจีนมาเชาอัลลอฮบนิอสราเอคำที่เยอฟิสุลละวัลฮุคมาฮุคมาทัคู่มีอำนาจในการจะปกครองบ้านเมืองดินแดนต่างๆในเชิงศาสนาพวกเขาก็เป็นผู้นำผู้นำในเรื่องศาสนา ในเชิงการบริหารการปกครองบันิอิสราเอลในสมัยอดีตก็เป็นผู้นําในสมัยนั้นวันนุบูฮะและยังมีบรรดานบีเยอะมากเลยอัลฮ์อัลลาะ์นบีมูซากับนบีอารุยนก็เป็นนบีอิสฮะก็เป็นนบียาคูบก็เป็นนบียูสุฟลูกหลานเป็นนบีหมดเลยไล่เรื่อยมาตั้งแต่อิสฮะจนกระทั่งถึงอิสซาลัยซซัลลัมนบีในบันิอิสราอี่เยอะมาก อลชาอลลอฮ์คือทั้งสามอย่างเนี่ยล้วนแล้วแต่เป็นเนืหมัดที่อัลลอฮฺตาอลาให้กับบริอิสราออลทั้งสิน้นในเรื่องศาสนาในเรื่องการปกครองในเรื่องของให้เกียรติด้วยการที่ให้คนให้ลูกหลานในบรรอิสราออลเนี่ยเป็นคนที่เป็นนบีซึ่งเป็นเกียรติสูงสุดในตะกรุดขเ ข, ข, ข, ขับ ورزقناهم من ا ل ط ย ب ا า ให้มีชีวิตที่มีสุขชีวิตที่ดีมีริสกีที่ดีมีของกินที่ดีทุกอย่างให้พร้อมหมดเลยดดลเราได้ให้พวกเขานั้นมีความประเสริฐเหนือกว่าคนอื่นๆในยุคนั้นในยุค น, น, น, นั้นนะอายัดนี้ไม่ได้บอกว่าบารรด อ, อิสราเอลมีความประเสริฐเหนือมนุษย์ทั้งปวก ข้ามาถึงท่านน บ, บีมุฮัมมัดสุลลัลลอฮุอะลัยวะสัลลัมอมหุหมะของท่านน บ, บีมุฮัมมัดคืออุมมะทีนน่ประเสริฐที่สุดอุหมะที่ประเสริฐที่สุดเมื่อท่านน บ, บีมุฮัมมัดมาถึงปดิรัตของบณอิสราอลก็ต้องอยู่รองลงมาจากอหุหมะของท่านน บ, บีสุลลัลลอฮุอะลัยวะสัลลัมเพราะฉะนั้นในยุคนั้นในยุคของบัณิอิสราออลเขาคือที่หนึ่งและตราลาให้เหนือคนอือ่นๆจริงๆ ทั้งหมดนี้เป็นแนมัมหรือเปล่าครับมาช h a Allah คนเราเมื่อได้รับแน ม, มัดจเจ้าละตะลามากมายขนาดนี้เนี่ยทางที่สมควรสิ่งที่พวกเขาควรจะทําคืออะไรต้องขอบคุณต้องตระหนัดต้องสํานึกในแน ม, มัดเจ้าละตะลาประทานให้สิแต่ปรากฏว่าเป็นยังไงยังไม่จบอีกเจ้าละตะลาอย่างนั้นแมัมดไม่จบยังมีอีกอายักต่อไป วละเอต ينا หุ่นเบญนัติมินะเลอเมร์แล้เราก็ได้ให้หลักฐานเบญน่าก็คือหลักฐานชี้แจงหลักฐานต่างๆมินะเลอเมร์ทุกเรื่องราวไม่ว่าจะเป็นบทบัญญัติแม่ว่าจะเป็นมอจจิสัตบทบัญญัติก็คือจะละหมาดยังไงจะสวดา้อนยังไงจะทำอิบาดะกับอัลลอฮฺต้าลายัางไง <c oughs> หรือ มห้จิตมิคือความอาเซจันทร์ทอลอะลแให้ระกบในมูลบลอิสราอล น, น บ, บีมูซามจิอะไรางยะแยะมากมายเลยอัลลอฮฺะัแลแจกแจกในมุอิอสรอลเห็นกตาตัวเองหมดแล้ว่วอนหน้านี้ทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยเป็นนหมัที่อลัลลอฮฺะัลให้กับพวกเขาซึง่งในทางที่ถูกทีกคท่ควรเนี่ยพวกเขาควรจะต้องขอบคุณอัลลอฮ นักตบางท่านบอกว่าในจานวนสิ่งที่อัลลอฮ์ประทานให้กับบุรีอิสราเอลที่อัลลอฮ์ตรัอิบาหกับีอิสรลก็คือหลักฐานที่บอกถึงการมาของท่านนบีมุฮัมมัดสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวัลลัมอัลล์ตอาทาองมุซารับบอกาเรื่องมุซาบอกว่าเรนบีอสาบอก็ว่าเรื ว่าในยุคสุดท้ายจะมีนบีคนหนึ่งมาเป็นนบีคนสุดท้ายนั่นก็คืออิสมาฮอัหดุลถูกระบุเอาไว้แล้วในคำภีของพวกเขาเหล่านี้คือสิ่งที่อัลลอฮฺแตกลาแจกแจงให้กับบรนิอิสราเอลหมดสินซึ่งในความเป็นจริงเมื่ออััดสลละห์สลลัมาถึงจริงๆพวกเขาควรจะต้องยอมรับท่านนาบีอมห์ พวกเขาควรจะต้องศรัทธาประท่านนบีมหัมดโดยดุษดีไม่ต้องมาทะเลาะไม่ต้องมาแตกแยกกันอีกแต่ผลปรากฏว่ากลับไม่เป็นตามที่ควรจะเป็นคนเหล่านี้ไม่สำนึกถึงเนืหมัดของล่องสุภาณวาาลาสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือแตกแยกเห็นไม่ตรงกันไม่ศรัทธา إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم السعد وينعي فهذه النعم التي أنعم الله بها على بني إسرائيل تقتضي الحال أن يقوموا بها على أكمل الوجوه وأن يجتمعوا على الحق الذي بينه الله لهم ولكن إن عكس الأمر فعملوها بعكس ما يجب ในอามัตทั้งหมดจเจ้าลัทธิลาประธานให้กับบุรีอิสราเอลเนี่ยในความเป็นจริงพวกเขาจะต้องขอบคุณอล l l a h พวกเขาจะต้องทำหน้าที่ตอนในอามัดเหล้วนี้ให้สมบูรณ์แต่ปรากฏว่ามันกลับตรงกันข้ามกันพวกเขากลับไม่ได้ใช้อามัตที่<ว>อ a l l ลาประทานให้พวกเข า, นน า, ลลลลาแทนที่จะรวมตัวกันอยู่บนเส้นทางแห่งสัจธรรมปรากฏว่าพอท่านนบีสุลตัลละซันละมาถึงแทนที่จะรวมตัวกัน ยอมรับสัจธรรมของท่านนาบีกลับกลายเป็นว่าบางส่วนก็ศรัทธาและอีกหลายส่วนนั้นกลับเป็นผู้ปฏิเสธอีกถ้าล่ะสแล้วการที่พวกเขาเหล่านี้เห็นขัดแย้งกับท่านนาบีมุฮัมมัดเนี่ยถามว่าขัดแย้งกันโดยภาษาบ้านเราจะเรียกว่าอะไรอ่ะโดยงงง่งหรือว่าโดยฉลาดฉลาด <c oughs> งงง่ก็คือไม่มีความรู้อะไรอ่ะคือถ้าคนมันไม่มีความรู้เนี่ย มันจะปฏิเสธมันจะไม่ยอมรับเนี่ยมันก็ดูไม่น่าเกลียดนะ่ะนึกภาพไหมบางทีเราถามว่าเอา้าทำไมเธอไม่มาละหมาดทําไมเธอไม่สักกาไม่จ่ายไม่บวชไม่จ่ายสั ก, การไม่รู้ไม่เรียนมาก่อนเออมันก็น่าอ็นดูอยู่บ้างเข้าใจไหมครับแต่นี้มันรู้อ่ะบางทีจบจบสูเรียนสูมาด้วยอานอ่า น, า น, า น, นี้มีความรู้เยอะแยะ แต่ยังไม่ยอมละไม่ยอมไม่ยอมทำตัวเป็นมุสลิมที่ดีไม่ยอมละหมาดไม่ยอมทำอิบาดาห์ต่างๆอันนี้เขาเรียกว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะภ า, าษากฎหมายเขาเรียกว่าอะไรอะคือรู้ทั้งรู้แต่ก็ยังทำสิ่งที่ขัดกับสิ่งที่ตัวเองรู้นี่คือนิสัยของเบนีอิสราเอลบนีอิสราเอลรู้ไหมว่านบีมุฮัมมัดเป็นรัศมีคนสุดท้ายรู้ รู้ไหมว่าจะต้องทำว่าจะทำอย่างนั้นทำอย่างนี้ชริอาทของละตะลาเดินสองสามระบุเอาไว้แล้วในตรถในอ็นจในนู้รู้หมดทุกอย่างแต่เวลามันทำจริงๆขานกันขัดกันแบบจงแจ้งเห็นจากจะจงแจ้งปฏิเสธหน้าด้านานนี่แหละคือทิสทายของอิสราออลวยาละตะลาเขเลยบอกว่าเปมักธิลฟู อิลลามิบั่งดิมาแจอะห์มุลเอลหมูคนเหล่านี้เนี่ยออกไปจากเส้นทางที่ถูกต้องเนี่ยอันเอลหมินทั้งทางที่รู้ไม่ใช่ไม่รู้รู้ทั้งรู้แต่ก็ยังยอมอยที่จะเดินไปบนเส้นทางอื่นที่ไม่ใช่เส้นทางที่ถูกต้องเพราะอะไรบายันเบยนะฮ์มราะ ความรู้สึกข้างในไม่ได้ใช้สติปัญญาและบาคเรนหมายถึงว่าละเมิดความรู้สึกแก่งแย่งความรู้สึกอยากจะได้ความรู้สึกตามอารมณ์ที่ต้องการจะได้ผลประโยชน์บางอย่างก็เลยละเมิดขอบเขตขออัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى ทั้งทั้งที่พวกเขามีความรู้ความรู้ที่พวกเขาได้รับจากอัลลอฮ์เนี่ยความจริงแล้ว ควรจะต้องให้พวกเขาเนี่กลับมาสู่เส้นทางที่ถูกต้องแต่ปรากฏว่ายิ่งรู้ยิ่งหาทางหนีทีไล <c oughs> เ่เหมือนเหมือนเออเหมือนนักกฎหมายบางคน <c oughs> ยิ่งรู้ยิ่งรู้ยิ่งโกงนะอุสบิลละยิ่งรู้ยิ่งรู้ช่องว่าเออว่าจะเอาอยัางไงที่จะไม่ให้โดนเอ่ะ โดนข้อกฎหมายเล่นงานหรืออะไรต่างๆนานานะอุบิลลาฮนซากลอิลาอิลลัลลอฮสัยของบุิอิสราออลเพราะฉะนั้นบักรยานใบนะฮ์ฮเป็นผลประโยชน์ส่วนตัวล้วนๆผลประโยชน์ทางโลกล้วนๆไม่ได้เกี่ยวข้องกับในเรื่องของความศรัทธาในเรื่องของอาคีระในเรื่องของการเชื่อมั่นต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮตะลาเลย คนเหล่านี้ยอมขายทุกอย่างได้แม้กระทั่งศาสนาเพื่อผลประโยชน์ของตัวเองนิสัยของ ب น ي อิสราาอลแสดงว่าคนเหล่านี้กูฟรปฏิเสธหรือไม่สานึกตอนเนหมัดที่อัลลอฮฺ์ตลอลาประทานะพวกเขาทาั้งๆที่พวกเขามีเนมัดหลายอย่างมากเลยนะ มีทั้งคำพีมีทั้งนบีมีทั้งอำนาจแล้วก็อัตละให้เห็นมรดจิจัตต่างๆเยอะแยะมากมายอัลลอฮฺอัลลอฮกลับไม่ได้ทําให้พวกเขานั้นสํานึกเลยแม้แต่น้อยนะฮะพอเราพูดถึงบัณีอิสราเอลแบบนี้พี่น้องครับเราเห็นแะล้วนะครับว่าบัณฑิอิสราเอลเนี่ยมีนิสัยยังไง อัลลอฮ์ตาลาให้นู่นให้นี่หนึ่งสองสาสี่ห้าเแ้าสเยอะแยะมากมายอัลลอฮ์ตาลาให้กับพวกเขาแต่พวกเขาก็ปฏิเสธฟาฝืนพระยศอัลละฮ์นนี้กลับมาดูภาพองพวกกูเรชบ้างกุเรชเนี่ยอัลลอฮ์ตาลาให้อะไรบ้างมา s ัลล l a การที่ท่านนบีมุ h a สัลลัลลอฮุอะลัยวะสัลลัมถูกแต่งตั้งให้เป็นรอซสูลคนสุดท้ายในหมู่ชาวกูเรช ถามว่าเป็นเกียร์แก่ชาวโกรชไหมมาชา a ัลล l a เป็นสิ่งที่ดีกับคนมักกะไหมแน่นอนแล้วทำไมคนมักกะไม่ยอมรับอัลลอฮฺ ت ع ا ให้เนืมัดมาแท้ๆแต่คนเหล่านี้กลับปฏิเสธเนืมัดอัลลอฮฺ تعالى ไม่ยอมรับท่านนบีมุฮัมมัดไม่ยอมรับกานเป็นรอซูลของมุฮัมมัดซุลลอฮฺละซัลลัม لا إله إلا الله ทั้งๆ ท, ที่พวกเขาก็รู้ว่ามุฮัมมัดไม่ใช่คนที่โกหกอย่างแน่นอนสิ่งที่ท่านนาบีนามาศา ส, สนาอิสลามที่อัลลอาลาสั่งให้ท่านนาบีเรียกร้องบรรดาชาวโปเรชให้ศรัทธาต่อพระองค์เป็นความจริงเป็นแน่หมัด ท, ที่ยิ่งใหญ่มากที่พระองค์ประทานให้มาลงมาอย่างมักกล่เจาะจงเลยนะพระองค์เลือกสรรที่จะเอา ที่จะให้มุฮัมมัดรอสูลคนสุดท้ายเนี่ยกาเนิดในหมู่ชาวมักกะและจากตระกูลปุไรจอกจงเลยทำไมพวกเขาไม่นึกสุบท้านหล่ะคนในตระกูลตัวเองแท้ๆได้รับการคัดเลือกให้เป็นรอสูลแต่ไม่เห็นค่าไม่เห็นความสาคัญเพราะฉะนั้นสุดท้ายคนเหล่านี้ก็พลาดความดีงามต่างๆที่พระองค์จะประทานให้ Allah Taala บอกว่าย ma ah, e ังไงนะพอจบเรื่องราวของบัณฑิอิสราเอลนบีมุ hammad สัลลัลลอฮุอะลัยวะสัลลัมก็ถูกแต่งตั้งให้เป็นรอซูลที่เอาอิสลามมายังมนุษยชาติซึ่งําเนิดมาในตรุษคุรชของเกาะมักะทั้มมาจ عل นกอลชรีินลออัมร แล้วเราก็ได้ทำให้เจ้านั้นดำรงอยู่บนเส้นทางของชรีอะชาีอะตรงนี้ก็คืออัลมิลล์ก็คือศาสนานั่นเองศา ส, สนาอิสลามบนี้อิสราเีลอัลอลอฮส่งเราซุลมาให้มานำเสนอนะครับศา ส, สนาอิสลามในยุค ข, ของพวกเขาพอมาถึงยุค ข, ของพวกมุชรินมักกะอัลอลอฮฺก็ให้กำเนิด ให้บังเกิดรัสูลคนสุดท้ายนั้นคือมุฮัมมัดสัลลัลลอฮุอะลัยฮิสซาลลัมนำอิสลามตั้ม์ชรร์นลชรีอต์ามิเลต์์ทเุลลคือทุกขให้พวกเขาเห็นสภาพว่าถ้าบันิอิสราเอลมีเกียรด้วยการจะรอัลลาประทานเนื้หมัดการเป็นนบีประทานคำพีมา พวกเจ้าก็ไม่แตกต่างกันนำสร้างพวกเจ้านั้นประเสริฐกว่าเพราะว่ารอซูลคนนี้มุฮัมหมัดคนนี้เป็นรอซูลที่ประเสริฐที่สุดหลังจากมูฮัมหมัดไม่มีอีกแล้วรอซูลคนอื่นคัมภีร์เล่มนี้คัมภีร์อัลกุรอานเล่มนี้ประเสริฐที่สุดในมูลคัมภีร์ทั้งหมดครอบคลุมเนื้อหาของคัมภีร์อัลกุรอานครอบคลุมเนื้อหาของคัมภีร์ยุค ก, ก่อนหน้านี้ทั้งหมดชบบ ร, ริอัต์บทบัญญัติ หลักการต่างๆในศาสนาอิสลามครอบคลุมหลักการต่างๆทั้งหมดของชราอัก่อนหน้านี้เพราะฉะนั้นพวกเจ้าก็น่าจะต้องขอบคุณแต่นะครับก็ยังมีคนที่ไม่อยอมยังมีคนที่คลังแคลงยังมีคนที่สงสัยยังมีคนที่พยายามจะทำมีดีมีร้ายกับอิสลาม พยายามที่จะทำลายด้วยวิธีการต่างๆนานามากมายไม่ว่าจะเป็นทำร้ายทางร่างกายหรือทำร้ายทางความรู้สึกยกเย้ยอยากคางล้อเลียนตั้งแต่วินาทีแรกที่ท่านนาบีม u h a m m a d ﷺ นำอิสลามมาประกาศในมักกะไม่เว้นแต่ละวันที่พวกมุชริกีนั้นมากีดขวาง การทํางานศาสนาของท่านนบีอย่างไรก็ตามอัลลอฮฺก็บอกกับท่านว่าฟัตตบะฮฺเราให้ศาสนากับเจ้าแล้วเพราะฉะนั้นโอ้มุฮัมมัดจงยึดมั่นจงปฏิบัติตามชรีอัตที่เราได้ประทานให้กับเจ้าและไม่ต้องไปแกล้งใคร ولا تتبع أ ล و ا ل الذين لا يعلمون อย่าได้ตามอารมณ์ภาวะนัฟสูหรือการสร้างความเคลือบแคลงสงสัยของบรรดาคนที่ไม่มีความรู้อะไรเลยพวกมุชริกีนจะเรียกร้องอย่างไรเจ้าอย่าไปฟังยิดมัดอยู่บนเส้นทางอันเชิงตรงนี้นี่คือคำสั่งของ Allah سبحانه และ تعالى لا إله إلا الله ไปนั่งครับ นี่คือประเด็นที่เราจะต้องสั่งเสียกันนะหมายความว่าเมื่อไรก็ตามที่เรารู้ศาสนาแล้วเราจะต้องยึดมั่นอยู่กับศาสนากับเนื้อหาต่างๆที่เราเรียนรู้มาอย่าปล่อยให้ปัจจัยอย่างอื่นที่อยู่ข้างนอกเนี่ย ที่มันเรียกร้องเราไปทางขวาทีไปทางซ้ายทีแนวคิดต่างๆกระแสต่างๆที่มันข้านกับหลักการของอิสลามต้องระวังอันนี้คือสิ่งที่เป็นบทเรียนกับพวกเราถ้าสมมุติว่าท่านนาบีสัลลั ล, สสลลอฮุอะลัยฮิวสัง่งท่านว่าขัดต่ำเมูฮัมหมัด เจ้าต้องยึดมั่นต้องปฏิบัติตามศาสนาอิสลามที่ฉันให้กับเจ้าเนี่ยอย่างแข็งขันอย่าไปลังเลอย่าไปวอกแวกแล้วนับราษาอะไรกับพวกเรานะครับนับราษาอะไรกับพวกเราท่านนาบีเนี่ยรักษาคำชับอย่างนักแน่นเข้มงวดว่าอย่าไปสนใจอย่าไปสนใจบันีอิสรอเอลถ้าพวกเขาจะมีแนวคิดอะไรที่ ทำให้ชาวมุสลิมเกิดปัญหาหรืออย่าไปสนใจวิธีการของพวกมุชรินที่พยายามจะดิสเครดิตเจ้ า, าจะพยายามจะใส่ร้ายเจ้าอย่างนั้นอย่างนี้อย่าไปสนใจอิตเบฮะราะอะไรที่เราไม่ควรจะไปตามความคิดความรู้สึกของคนที่ ไร้ความรู้เหล่านั้นอิน ن ه ล لن ي, ي غ ن و ู عنك อ ن, ن ا ل ิ ه شيئا เพราะว่าคนเหล่านั้นไม่ได้มีส่วนในการให้ผลประโยชน์ไม่มีส่วนในการช่วยเหลือเจ้าได้เลยแม้แต่น้อยไห <c oughs> <c oughs> นในตับซสียบอกว่ายังไงอิ <c oughs> إ ن ุม لَنْ ي, عند الله الخ على ولا ي, ي ْุ่งั้นค่ะมันจ ا ل ป็นยังไงกั ي บ้างเนี่ยค่ะทุกคนที่รับชมอยู ل ตอนนี้ค่ะทุกคนที่รับชมอยู่ตอนนี้ค่ะทุกคนที่รับชมอยู่ตอนน إِنِ اتَّبَعْتَهُمْ ع َ ل َ ى อนนี้ค่ะทุกคนที่รับชมอยู่ตอนนี้ค่ะทุกคนที่รับชมอยู่ตอนนี้ค่ะทุกคนที่รับชมอย ه ُ م ْ مُتَبَايِنُونَ ยต้นี่ย่นันี่รชอครมครนี่ย สาเหตุเพราะอะไรเราตามคนคนหนึ่งเนี่ยเราเชื่อฟังคนคนหนึ่งเนี่ยเราเชื่อเขาเพราะอะไรเพราะว่าเราคิดว่าเขาเนี่ยจะให้ประโยชน์กับเราถูกต้องไหมถ้าคนคนหนึ่งไม่ได้ทําอะไรให้เราเราจะไปตามเขาทําไมเช่นเดียวกันถ้าสมมุติท่านนาบีสุลตลานจะตามพวกโอเริเ จะตามพวกผู้ชริกินจะตามบนันทึอิสราเอลท่านนาบีจะตามทําไมคนเหล่านั้นจะให้ประโยชน์อะไรกับท่านนาบีได้จะให้ท่านนาบีเป็นกษัตริย์หรือจะให้ท่านนาบีเป็นผู้ปกครองมักกะหรือละตาลาบอกว่าอินนะฮุมเลนยุนูอัลกามินัลลอฮิชาอีคนเหล่านั้นไม่สามารถให้อะไรกับเจ้าได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในวันอัคราเพราะฉะนั้นไม่มีเหตุผลที่เราจะต้องไปตามคนเหล่านั้น เพราะคนเหล่านั้นไม่ได้เป็นคนที่จะมาช่วยเราให้รอดผลจากอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى ไม่ว่ามุนใดมุมหนไม่มีเหตุผลเลยแต่ถ้าเรื่องโลกนี้ทิพจอยมากแต่สําคัญกว่าดุกนี้ก็คือเรื่องอัคคีรอห์เรื่องศาสนาถ้าพูดกันในเรื่องศาสนาในเรื่องอัคคีระห์ไม่มีใครที่สามารถจะให้เรารอด ผลจากอัลลอฮฺสุบานอัลตะอัลาได้ในจํานวนหมู่มนุษย์ไม่มีใครเลยเพราะฉะนั้นไม่มีเหตุผลที่เราจะต้องไปตามเขาเพราะฉะนั้นระวังให้ดีพวกเราในโลกยุคปัจจุบันนี้เราจะเห็นว่าแม้กระทั่งคนที่เป็นมุสลิมกันเองในบรรดาลูกหลานมุสลิมอัลลอฮฺวะกบะละอิลลาอิลอัลลอฮฺอาดานัลลอฮฺเวอิยาห์มจัมัยมีไอดาเกิดขึ้นเยอะแยะมากมาย บางคนอยากจะเป็นเหมือนคนนั้นบางคนอยากจะเป็นเหมือนคนนี้เป็นไอดอลในโลกในโลกปัจจุบันอยากจะโดยเฉพาะเรื่องรวยนี่แหละที่เป็นไอดอลกันเยอะมากแล้วไม่สนใจแล้วว่าวิธีการไหนน่าจะถูกผิดจะฮาลาจะฮารอมเอาหมดไม่สนใจขอให้ฉันได้เป็นเหมือนคนนี้ลเอล่าฮะอิล allah แล้วปฐมวันอัคระ ถามว่าไอดอลต่างๆเหล่านั้นช่วยอะไรเราได้ไหมตอนนั้นอัลลอฮ์สุลฮานะวะตาละถ้ามีใครสักคนหนึ่งที่เราอยากจะเอาอย่างเป็นไอดอลของเราก็ขอให้เป็นไอดอลที่พาให้เรารอดในวันอัคยรด้วยได้ไหมได้ละฮะอิลล allah ได้ละฮะอิลล allah นี่ย وإنَّ الظَّالِمِينَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٌ บรรดาคนที่ซาลิมบรรดาคนที่อาธรรมเหล่านั้น บางส่วนของพวกเขาก็เป็นเอาลิยะเป็นวะลีเป็นคนใกล้ชิดเป็นพรรคพวกซึ่งกันและกันคนชั่วก็จะอยู่กับคนชั่วคนที่ไม่ศรัทธาก็จะอยู่กับคนที่ไม่ศรัทธาอัลลอฮฺวะลีอมุตตะกินในขณะที่อัลลอฮเป็นวะลีเป็นคนที่จะคอยช่วยเหลือบรรดาคนที่มีความยำเกรงอัลลต้าละเป็นวะลีของพวกเรานะครับ เพราะฉะนั้นให้ตามอัลลอฮ์ให้ตามบรรดาคนที่อัลลอฮ์แต่ละรักนั่นแหละคือหนทางที่จะทำให้เรานั้นได้รับการชี้นำจากพระองค์ออกจากความมืดมนไปสู่แสงสว่างยุกริจุมินอัลโวลุมะตีอีลาหนูบิสาบิตัควะฮุมุอาลัยห์บิท้าอัตตีเอเมครับเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่อัลลอฮสื่อสารกับพวกเราในอายะเหล่านี้ หนึ่งก็คือยกตัวอย่างบันิอิสราอียคนในสมัยอดีตก่อนหน้าท่านนาบีนะกลุ่มชนที่ใกล้เคียงที่สุดกับชาวมุสลิมก็คือบันิอิสราอคนเหล่านั้นอัละัลลาให้เนื้หมัดมาเยอะแยะมากมายโดยเฉพาะเนื้หมัดในเรื่องศาสนาแต่พวกเขาก็ไม่ไตรตรองพวกเขาไม่สานึกดังนั้นบรรดามุสลิมทั้งหลายถ้าตอนนี้ใจเรามีศาสนาอยู่แล้ว หัวใจเราเราศรัทธาต่อรักต่ออะไอยู่แล้วเรามีอิสลามเราสามารถที่จะปฏิบัติตามอิสลามได้แล้วแต่เราไม่สํานึกเราไม่เอาจริงเอาจังเราละทิ้งเราทําสิ่งที่ข้านกับอิสลามทั้งๆ ท, ที่เรารู้อยู่แล้วเราวางให้ดีว่าผลบัรปลายสุดท้ายเราจะเป็นเหมือนกับบัณ ด, ดาบัานิอิสรออิเหล่านั้นนี่คือ บ้าซอิร์ฮาดะบ้าซอิร์ลิน้าสวะฮุดันวะร่ห์มตุลิควอม์ยูอมินูนทั้งหมดทั้งปวงนี้คือสิ่งที่อัลกุรอานเอามาบอกกล่าวเป็นข้อชี้แจงให้่ยวกับมนุษย์เสียใจวะฮุดันวะร่ห์มต์ุลิควอมนยูอมินูนและมันเป็นทางนาเป็นความเมตตา แกบันดาคนที่มีความมั่นใจในการศรัทธาของพวกเขาย่าคินย่าคินก็คือมีความมีความมั่นคงมีความมั่นใจนะครับไป้องสังเกตดูนะอัลอลอลฺใช้คำว่าบาซ่าอิระบาซ่าอิรุลินเนสอัลกุรอานเนี่ยมนุษย์ต้องการอะไร Al อัลกุรอานอาชบายได้หมดในเง่้ที่จะให้ชีวิตเนี่ยรอดพ้นในการใช้ชีวิต ให้รอดพนให้ประสบความสําเร็จในดุน ي ة และมาอาเครออัลกุรอานมีคําตอบหมดแต่ไม่ใช่ว่าทุกคนจะได้รับประโยชน์จากอัลกุรอานดูการแยกในอายันี้ให้ดีนะตอนแรกละตับอกว่าอย่างไรฮะกะบซาอิรุลแนสอัลกุรอานนี้เป็นข้อชี้แจงให้กับมนุษย์ทั้งหมดมนุษย์ทั้งหมดสามารถที่จะรับข้อชี้แจงจากอัลกุรอานได้หมด แต่ทุกคนได้ประโยชน์หมดไหมไม่คนที่ได้ประโยชน์ก็คือวาฮูดันวาลฮ์มัตุนลีเกมยูกี น, นคนที่ได้ประโยชน์จากอัลกุรอานก็คือคนที่มีความศรัทธาอย่างมั่นใจเท่านั้นอัลกุรอานเปิดกว้างให้กับมนุษยาชาติทั้งหมดแต่คนที่สามารถจะตักตวงประโยชน์จากอัลกุรอานได้คือคนที่มีความศรัทธา นี่คือข้อเท็จจริงนะครับที่เราจะต้องทําความเข้าใจกับมันถ้าเราอยากจะได้ประโยชน์จากอัลกุรอานเราจะต้องมีความมกที่มีความศรัทธาต่ออัลลอฮ์ซุลฮานะวะเอาะลและต้องตระหนักถึงเนตมัดต่างๆที่พระองค์ประทานให้กับเราอยู่เสมอการระลึกถึงเนตมัดทีอ่อัลลอฮ์ประทานมาให้กับเราจะเรียกร้องเราไปสู่การยอมรับและการขอบคุณต่ออัลลอฮ์ในที่สุด แล้วเราก็จะได้เป็นคนที่ํารงตนอยู่บน s อ a r i a ิน i n Min Al a บนศาสนาของ Allah س ب ح ะ ت อามิน يا رب ا ل าล ل م ي ن รหมานีนับคํามตันี้อินชาอัลลอฮฺ الله, ขอรมอธิษฐา Allah س ب ح ะให้เราได้ยนยั้อยู่บนศาสนาอิสลามบนเสนน้นทางของท่านนบี Muhammad صلى الله ع ل ي ั و ล ل มโดยไม่คลอนแคลนสงสยัยโดยไม่ uh, ตามกระแสต่างๆที่จะทาให้เรานั้นออกไปจากเส้นทางที่เที่ยงตรงของพระองค์ Allah อัลลอฮ์องศา์ะล ن الله وإياكم لما يحب ر ض و ص ل الله على ن ب ن ا محمد وعلى آله و ص ح ب وسلم سبحان ر ك رب العزة م ا ي س ِ ف و ن َ و َ س ل ا م ع ل ى ا ل م س ي ن و ا ل ح م د ُ ل ل ه ر ب ا ل ع ا ل م ي ن و ا ل س ل ا م ع ل َ ي ك و ر ح م ة ا ل ل ه و ر َ ك ا